สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบ่บานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่ห้าร้อยยี่สิบเจ็ดเรื่องพระเยซูในพระธรรมฮีบรูครั้งที่สามสิบสองพี่น้องครับพระเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้ก็จะจบในพระธรรมฮีบรูบทที่เก้าแล้วนะครับผมจะในข้อที่ยี่สิบสามจนถึงข้อสุดท้ายของพระธรรมฮีบรูบทที่เก้านี้ก็คือข้อที่ยี่สิบแปดโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้า ฮิบรูบทที่9ข้อ23จนถึงข้อ28เหตุฉะนั้นจึงจาเป็นต้องชำระล้างแบบจำลองของสวรรค์โดยใช้เครื่องบูชาอย่างนี้แต่ว่าของจริงจากสวรรค์นั้นต้องชำระให้บริสุทธิ์ด้วยเครื่องบูชาอันประเสริฐกว่าเครื่องบูชาเหล่านั้นเพราะว่าพระคริสต์ไม่ได้เสด็จเข้าในสถานศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสร้างขึ้นด้วยมือมนุษย์อันเป็นแบบจำลองจากของจริง แต่พระองค์ได้เสด็จไปสวรรค์นั้นเพื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายพระองค์ไม่ต้องทรงถวายพระองค์เองซ้ำอีกไม่เหมือนมหาปุโรหิตที่เข้าไปในวิสุทธิสถานทุกปีและนำเลือดซึ่งไม่ใช่โลหิตของตัวเองเข้าไปด้วยเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นพระองค์คงจะต้องทรงทนทุกทรมานหลายครั้งนับตั้งแต่สร้างโลกมาแต่ความจริง พระองค์ทรงปรากฏเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในปลายยุคเพื่อกำจัดบาปให้หมดสิ้นไปโดยการถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชามีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะตายครั้งเดียวและหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาขันใดพระคลิกก็ฉะนั้นคือพระองค์ทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาครั้งเดียวเพื่อจะได้ทรงแบก บ, บาปของคนเป็นอันมากไว้ พระองค์จะทรงปรากฏเป็นครั้งที่สองม่ใช่เพื่อกาจัดบาปแต่เพื่อช่วยบรรดาผู้ที่รอคอยพระองค์ด้วยใจจดจ่อให้ได้รับความรอดพี่น้องครับพระเจ้าของพระเจ้าในพระธรรมฮีบรูตั้งแต่ข้อที่ยี่สิบสามเราจะพบว่าคําว่าแบบจําลองของสวรรค์หมายถึงพระพลาที่ตั้งอยู่บนโลกแปลว่าอะไรครับแปลว่า พระพลาหรือการถวายบูชาหรือเรียกว่าวิหารนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นที่ที่ทําพิ ธ, ธีการถวายบูชานั้นเป็นแบบจําลองของสวรรค์ครับแบบจําลองของสวรรค์นะครับปแปลว่าพระวิหารในพระคัมภีร์เดิมนะครับหรือระบบการถวายบูชานั้นเป็นเพียงแค่แบบจําลองของพระวิหารในสวรรค์ จึงเป็นการเหมาะสมครับที่แบบจำลองในโลกนี้จะต้องถูกชำระให้บริสุทธิ์ด้วยเลือดของสัตว์อย่างไรก็ตามครับจำเป็นที่ของจริงในสวรรค์ก็จะต้องถูกชำระให้บริสุทธิ์ด้วยพระโลหิตของพระเยซูอันเลิอดประเสริฐเพราะเหตุผลก็คือเครื่องบูชาบนสวรรค์นั้นประเสริฐกว่าเครื่องบูชาที่อยู่ในโลกเครื่องบูชาที่อยู่ในโลกนั้น เป็นแค่แบบจำลองนะครับแบบจำลองก็คือทายกับ T, Y, P, E Type ซึ่งแปลว่าอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ของจริงแต่ของจริงนั้นอยู่บนสวรรค์ในข้อที่ยี่สิบสี่นะครับก็กล่าวว่าพระเยซูคริสต์นั้นไม่ได้เสด็จเข้าไปในสถานที่ที่บริสุทธิ์ซึ่งสร้างด้วยมือของมนุษย์นั่นหมายความว่าพระเยซูไม่ได้เสด็จเข้าไปอภิษฎที่สถานที่พระวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม เพราะว่าตรงนั้นนั้นเป็นเพียงแค่หุ่นหรือแบบจำลองของพระวิหารแท้ในสวนจริงๆแล้วพระเยซูได้เสด็จเข้าไปในสวนและทรงปรากฏจำเพาะพระพักของพระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายในฐานะคนกลางครับคาว่าคนกลางพี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้อธิบายแล้วครับก็คือว่าเป็นคนที่เสนอความแทนนะครับเป็นคนที่เสนอความแทนเป็นคนที่อยู่กลางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า เป็นคนที่ริเริ่มนะครับก่อตั้งพันธสัญญาใหม่และพระเยซูได้ปฏิบัติเป็นปฏิบัติตัวเป็นมหาปุโรหิตใหญ่ของเรานี่คือความเหนือกว่าของการปฏิบัติของพระเยซูนะครับปรากฏชัดเจนนะครับชัดเจนมากเลยครับว่าเป็นความเหนือกว่าที่สูงที่สุดแล้วพี่น้องครับในข้อี่25 26ทําให้เราเห็นว่าพระองค์ ไม่ต้องถวายพระองค์เองซ้ำอีกเหมือนกับมหาโปรหิีที่เข้าไปในอภิสุทธิสถานทุกๆปีโดยปกติแล้วมหาโปรหิีที่เข้าไปในอภิสุทธิสถานทุกปีเขาต้องนำเลือดซึ่งไม่ใช่โลหิตของตัวเองเข้าไปแต่พระเยซูนะครับทรงนำพระโลหิตของพระองค์เองเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นพระงถวายบูชาเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอแล้วครับถ้าากเป็นเหมือนกับพระกัมภีเดิม พระเยซูคงต้องทนทุกข์ทรมานบ่อยๆหลายๆครั้งนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เพราะเนื่องจากว่าในที่สุดแล้วพระเจ้าได้ให้พระเยซูเสด็จออมาในโลกนี้เพื่อจะเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปของพวกเราทั้งหลายทุกคนในขณะที่พระองค์ได้เสด็จขึ้นสู่ไม้กางเขนพระองค์กำลังถวายบูชาด้วยพระโลหิตของพระองค์เองครับและครั้งเดียวก็พอแล้ว สุดท้ายนะครับในข้อที่ 25-26 ผู้เขียนปิดท้ายสนับสนุนความคิดของผู้เขียนและทำให้เรารู้ว่ามหาปรหิตในสมัยพมพีเดิมต้องปรากฏตัวนับร้อยร้อยครั้งในที่ที่บริสุทธิ์ที่สุดหรือในอพิสุดที่สถานตลอดแระยะเวลาหลายศตรวรรษในวันลบมณฑินบาปทุกปีพร้อมกับเลือดสัตว์ แต่เครื่องบูชาของพระเยซูนั้นเหนือกว่าตรงที่พระองค์ถวายพระองค์เองเพียงครั้งเดียวก็พอพี่น้องครับท่านผี่พูดชัดเจนนะครับว่าพระเยซูนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องถวายบูชาต่อมาเรื่อยๆ เ, เหมือนอกับศาสนจักรบางบางนิกายนะครับได้เชื่อพเพียงครับเรามาดูต่อในข้อ27 28 27 28ท่านผี่กล่าวว่ามีข้อกําหนดสําหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะต้องตายหนึง่ง และหลังจากนั้นจะมีการพิภากษาฉันใดพระคิดก็ต้องถวายพระองค์เอง ห, หนึ่งหรือ ห, หนึ่งครั้งเพื่อจะได้รับเอาความบาปของคนเป็นอันมากแล้วพระองค์จะทรงปรากฏครั้งที่สองปราศจากความบาปแก่มันดาคนที่คอยพระองค์ให้เขาถึงความรอดฉันนั้นทีนี้นครับมนุษย์นั้นได้ถูกกาหนดไว้แล้วว่าจ้องตาย ห, หนึ่งตายหนเดียวตายครั้งหนึ่งนะครับและตามมาด้วยการพิภากษาความจริงที่ เป็นความจริงสําคัญมากนะครับสองอย่างเอ่ยถึงที่นี่อย่างแรกก็คือมนุษย์นั้นหลีกเลี่ยงความตายไม่ได้นะครับนอกจากจะต้องถูกรับขึ้นไปที่เรียกว่ารับเชิญนะครับมนุษย์ทุกคนต้องตายครับนอกจากมนุษย์ที่พระเจ้ามารับเขาไปหรือมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อพระเยซูจะเสด็จมาเป็นครั้งที่สองในอนาคตประการที่สองครับความจริงประการที่สองก็คือ มนุษย์ุกคนหลีกเลี่ยงการพิพากษาไม่ได้พี่น้องครับสองประการนี้ครับทําให้รู้ความจริงก็คือว่าในสุดแล้วเราทั้งหลายซึ่งเป็นมนุษย์นั้นเราต้องตอบสนองด้วยความเชื่อศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูคริสต์ของเราและเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจึงจะได้รับความรอดอิรันนะครับเราจึงจะไม่ต้องเข้าสู่การพิพากษาการพิพากษ า, า, าตรงนี้ก็คือว่าพิพากษาแล้วตกนรกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะ ได้รับบําเหน็จของเราบนสวรรค์เนื่องจากการกระทําของพระเยซูการถวายบูชาของพระเยซูและการตายแทนของพระเยซูเพราะฉะนั้นพระเยซูนั้นต้องถวายพระองค์เองครั้งเดียวนะครับเพื่อที่จะรับเอาความบาปของคนเป็นอันมากาการการถวายบูชาของพระเยซูนั้นเกิดขึ้นครั้งเดียวเพียงพอครับและเหนือกว่าระบบการถวายบูชาเดิมที่ผ่านมา ผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูก็จะมีความหวังอันเปี่ยมล้นด้วยความสุขในการตั้งหน้าตั้งตาคอยการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูเพราะการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูนั้นจะแยกความบาปแยกคนบาปออกจากผู้ที่ชอบธรำเมื่อพระเยซูเสด็จมาเป็นครั้งที่สองไม่ใช่เป็นการแบกรับความบาปของเราเหมือนกับที่พระองค์ได้กระทําในการเสด็จมาครั้งแรกแต่จะเป็นการทําให้ความรอด ของพวกเรานั้นครบถ้วนสมบูรณ์นั่นหมายความว่าชีวิตนิรันที่เป็นจริงได้เกิดขึ้นตลอดไปเป็นนิจนี่คือการหมายถึงพระพรของการรับขึ้นเมื่อความครบถ้วนสมบูรณ์เห็นความรอดของเราได้ถูกมอบให้กับเราเพียงนั้นครับก่อนที่จะจบในวันนี้นะครับผมขออนุ ญ, ญาตสรุปภาพรวมในบทที่เก้าซึ่งเป็นบทที่ค่อนข้างยากตามความรู้สึกของผมนะครับในบทที่เก้านี้ ผมอยากจะสรุปว่าพิธีกรรมภายนอกนั้นไม่สามารถชำระใจของผู้ถวายบูชาได้เว้นไว้แต่พิธีกรรมภายในซึ่งเกิดขึ้นโดยการสิ้นพระชนของพระเยซูบนไม้กางเขนและโดยการกลับใจใหม่ที่แท้จริงของพวกเราจึงจะชำระได้จา ก, จ า, ก, การชำระตรงนี้นะครับก็ทำให้เกิดการยกโทษบาปและทาให ชีวิตของเรานั้นบริสุทธิ์และคนที่บริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะพบกับพระเจ้าได้เห็นพระเจ้าได้คนที่บริสุทธิ์เท่านั้นก็คือเขาได้รับพระสัญญานิรันต์ก็คือชีวิตนิรันต์นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ไดจากการที่การกระทําของพระเยซูที่ยิ่งใหญ่มากครับพระเยซูไม่เพียงแต่เป็นมหาโรห uh ิตเท่านั้นพระเยซูยังเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปเราด้วยก็คือการที่พระโลหิตของพระเยซูหลั่งไหลออก พี่น้องครับอย่าลืมครับว่าโลหิตนั่นคือชีวิตหรือเลือดคือชีวิตเมื่อมีการตายแทนของสัตว์ในในพระคัมภีร์เดิมทําให้เป็นแบบจําลองของการตายแทนของพระเยซูซึ่งเป็นพระเมสสโผลดของพระเจ้าเป็นลูกแกะของพระเจ้าที่ตายแทนพวกเราทั้งหลายทุกคนเมื่อเรารู้เช่นนี้เราก็จะเข้าใจคําว่าเมสโผลด ของพระเจ้าก็คือลูกแกะของพระองค์เพราะว่าลูกแกะของพระองค์นั้นจะต้องถูกฆ่าเพื่อที่จะเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปการตายแทนนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นเป็นหลักข้อเชื่อนะครับตั้งแต่ในสมัยพัฒน์พีเดิมจนมาถึงสมัยพัฒน์พีใหม่ก็คือในสมัยพัฒน์พีเดิมนั้นลูกสัตว์นะครับแกะเนะี่ยวัวต้องตายแทนเพื่อชําระความบาปของคนในสมัยพัฒน์พีเดิมในสมัยพัฒน์พีใหม่นั้น พระเยซูเป็นเครื่องบูชาที่เหนือกวา่าและดีที่สุดแล้วในการที่โปร่งส่งตายแทนความผิดบาปของเราเพื่อที่เราจะมีชีวิตพระเยซูบอกว่าเรามาเพื่อทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์อาเมน